อร่อยกว่าเล่าอีกแต่ว่าพวกที่กินหัวหมูกินเป็ดกินไก่กินเหล้าเนี่ยพวกอสุรกายทั้งนั้นนะ่ะแต่อสุรกายเนี่ยแฝงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาชอบให้คนบนบานสารกล่าวอยู่เสมอแล้วก็ชอบกินพวกนี้ถ้าเขาไม่บนก็ไปบีบไปแกล้งเขาให้เกิดความทุกข์ขึ้นเขาก็จะได้มาบนบานสารกล่าวแล้วก็หายเจ็บหายไขย้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้การเบียดเบียนคนอื่น ดังนั้นบุคประเภทเนี่ยพอตายจากอสุรกายมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยอันเนี้ติดตามมาเป็นคนนิสัยเสียเขาไม่ติดสินบาทข้าสินบนก็ไปแกล้งเขาบ้างอย่างโน้นอย่างนี้บ้างชอบกินสินบาทสินบนของคนอื่นไม่มีค้า่น้ําร้อนน้ําชาเก็จะไปแกล้งเขาแล้วเนี่ยประเภทนี้พวกอสุรกายมาเกิดประวะกรรมสืบเนื่องกันมาอันเนี้เป็นฉลิตแต่อดีตชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ เราศึกษาได้เราจะเห็นฉะนั้นถ้าบางยุคบางสมัยในโลกมนุษย์นี้มีสัตว์ในนรกเปรตอสุรกายเดริชานมาเกิดมากโลกมนุษย์เนี่ยหาความสงบไม่ได้ถึงจะเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์แต่รูปร่างแต่ว่าการกระทําต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับอบายสัตว์มีการรบราฆ่าฟันกันมีการประมาณธรกรรมข่มเหงรังแกซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเป็นโลกมนุษย์เป็นโลกของอาบายว์แต่เนื่องจากอาบายว์มาเกิดในมนุษย์นี้มากโลกมนุษย์ก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้ถ้ายุคใดสมัยใดมีเทวดามาเกิดมากโลกมนุษย์นี้ก็ศีรษะไรคนทั้งหลายก็ศีรษะไรกันทั้งหมดมีระเบียบแบบแผนเป็นคนสะอาดรู้จักรักษาจารีตประเพณีต่างๆโลกมนุษย์นี้ก็สวยงามขึ้นทางมีพรหมมาเกิดมากโลกมนุษย์ยิ่งสงบหนักขึ้น เนี่ยเป็นบางยุคบางสมัยที่สันตสัตว์เนี่ยถ่ายเทกันฉะนั้นเราจะเกิดอีกก็ขอให้ทําบุญอธิษฐานไว้มากๆว่ า, าขอให้เกิดในยุคที่มีเทวดามาเกิดขึ้นมากๆอย่าไปเกิดพร้อมกับพวกก า, ายสัตว์และยุ่งใหญ่ต้องเกิดพร้อมกับพวกเทวดาพวกรมต้ออธิษฐานไว้จะเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตามก็ขอให้เกิดในยุคที่โลกร่มเย็นและเป็นมไปด้วยบัณฑิตแล้วก็เราไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ถ้าเราเกิดในยุคที่โลกนี่เต็ไมไปด้วยอันธพาล น, นะเราก็เดือดร้อนเพราะว่าบุคคลเหลา่านี้เขาประกอบกรรมแต่อดีตมาเช่นนั้นเขาก็ต้องแสดงจริตเช่นนี้ออกมาอีกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและเราก็จะเห็นว่าความเป็นไปของโลกนั้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าหากว่าสัตว์ที่มีศีลธรรมเกิดดีมากเราก็มีความสุข ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายขาดศีลธรรมมาเกิดมากเราก็มีความทุกข์มีความร้อน <c oughs> เรื่องของจริตหกนี้เป็นเรื่องสาคัญที่จะวินิจฉัยหลักการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติกรรมฐานเช่นใดจึงจะเหมาะกับจริตของเราเช่นอย่างคนราคะจริตเนี่ยคนราคะจริตถ้าหากว่าไปปฏิบัติกรรมฐานที่ผิดราคะก็ไม่สงบ เขบอกต้องปฏิบัติธรรมที่ตรงกันข้ามทาราคะามีมากต้องไปเจริญอสุภะกรรมฐานจิตจึงจะสงบต้องพิจารณาอารมณ์กรรมฐานที่ตรงกันข้ามกับตนจิตจึงจะสงบได้เช่นการเจริญอสุภะการเจริญอสุภะก็คือการพิจารณาซากศพจะเป็นศพตายหนึ่งวันสองวันสามวันหรือศพกาลังเน่าอืดหรือว่าศพที่เน่าแล้วถูกแลนพึง ถูก ส, สุนัข ก, กัดกินแวง่งหรือว่าเศษกระดูกระไรต่างๆเนี่ยเป็นอารมณ์สาหรับพิจารณาจึงจะเหมาะกับบุคคลผู้เป็นราคะจริตคนที่เป็นโทสะจริตนี่คือคนที่กระทบกับอนิจจารมณอยู่ตลอดเวลาบุคคลประเภทนี้ถ้าจะเจริญกรมาามรมฐานต้องเจริญกรรมฐานประเภทวันณกศะสิหรือการเจริญเมตตาภาวนาวันณะกศะสินนี่ก็คือกรสินที่มีสี เพราะว่าคนที่เป็นโทสะจริตเนี่ยต้องเอาสิ่งที่สวยงามเข้าไปช่วยต้องตกแต่งสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอนะจึงจะโทสะจึงจะลดน้อยลงเหมือนปัจจุบันเนี่ยบางท่านที่เรียนจิตวิทยาก็จะทราบได้ว่าคนที่เป็นคนมีความโกรธมากๆเราจะช่วยบรรเทาความโกรธหรือทำให้คนที่เป็นคนเจ้าโทสะเนี่ยเกิดความพอใจเราต้องแต่งสถานที่ให้เรียบร้อยถ้ามีบ้านก็ต้องตกแต่งบ้านให้สะอาด คนที่เคยโกรธบ่อยๆก็ไม่เคยโกรธเท่าไรนะักเพราะว่ากลับมาเห็นแต่สิ่งที่รื่นรมยินดีความโกรธก็ทุราเบาบางลงพยายามให้เห็นแต่สิ่งที่สวยงามอยู่เสมอเสมอถ้าพอบ้านเป็นคนโกรธง่ายแม่บ้านก็ต้องขยันแต่งตัวหน่อยคือจะต้องแต่งให้สวยอยู่ตลอดเวลาว่ากลับมาเห็นแล้วจะได้ชื่นอกชื่นใจอะไรทำนองนั้นซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาทางจิตทาให้โทสะเนี่ยบรรเทาลง ถ้าผู้นี้จะไปปฏิบัติกรรมาฐานก็ต้องใช้วันณะกรสินเช่นใช้วันกระสินที่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือไม่ก็ต้องไปเจริญเมตตาภาวนาความโกรธเนี่ยจึงจะบรรเทาลงจิตจึงจะเยือกเย็นลงสําหรับผู้ที่เป็นโมหะจริตพวกนี้ต้องเจริญกสินที่หนาโตที่ปรากฏชัดเช่นอย่าง ถ้าเจริญปัทวีกสินก็ต้องดวงกสินต้องหนาโตที่รากฏชัดเช่นอย่างถ้าเจริญปัทวีกสินก็ต้องดวงกสินต้องหนาโตแล้วก็เจริญอารมณ์เช่นนี้จึงจะเกิดสมาธิได้ไยปัญหาเรื่องของจริตเกี่ยวกับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจึงเจาะจงลงไปไม่ได้ว่า คนนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้เพราะบางคนปฏิบัติได้ผลบางคนปฏิบัติไม่ได้ผลบางคนชอบบางคนไม่ชอบสำนักปฏิบัติทั้งหลายจึงควรจะได้มีหลักปฏิบัติแลหลายวิธีโดยเฉพาะในคมภีร์พระวิสุทธิมารนีท่านรวบรวมไว้หมดมีอยู่40วิธีใน40วิธีเนี่ยเราจะต้องเลือกว่าเราจะปฏิบัติวิธีไหนแล้วก็ผู้ที่จะแนะนําต้องเข้าใจด้วยว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้จะทํำยังไง เจนโยมบางคนอยากจะเจริญปัทวีกสินก็ต้องรู้วิธีเจริญปัทวีกสินว่าทำยังไงปฏิบัติปัทวีกสินต้องเข้าใจด้วยและต้องมีปัทวีกสิเนี่ยให้ปฏิบัติมิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติทําให้ได้ผลจริงๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาให้หมดในพระพุทธศาสนาว่ามีการปฏิบัติอยู่กี่วิธีเราจะปฏิบัติวิธีเนี้ขอให้ท่านช่วยแนะนําหน่อยว่าจะทําอย่างไร หาผู้ที่ทรงคุณในด้านนี้มาควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ปฏิบัติตามวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ผิดหวังในสี่สิบวิธีนี้อาตมาจะบรรยายทั้งหมดจะบรรยายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจทั้งหมดทั้งสี่สิบวิธีตามหลักที่ท่านวางไว้ในคำพีพระวิสุทธิมักว่าในวิสุทธิมัชในสี่สิบวิธีเนี่ยมีการปฏิบัติอย่างไรแล้วจึงจะชี้ว่า ผู้ที่เป็นจริตเช่นใดควรปฏิบัติกรรมฐานอย่างไหนบ้างแล้วท่านทั้งหลายก็ไปสํารวจ ด, ดูเองว่าท่านเนี่ยเป็นคนจริตอย่างไหนต้องรู้ตัวด้วยนะว่าเราเนี่ยเป็นคนราคะจริตหรือเป็นคนโทสะจริตหรือโมหะจริตหรือเป็นสัทธาจริตเป็นพุท ธ, ธิจริตวิตกกะจริตเราต้องรู้ว่าเราเป็นจริตชนิดไหนแล้วเราจึงจะเลือกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยปฏิบัติรรให้ถูกต้องสําหรับอาจารย์นั้นรู้ไม่ได้ ที่ว่าอาจารย์รู้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ผู้ที่จะให้ผู้ที่จะแนะนําที่เป็นกริยาณมิตรนี้ถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้ามีเจโตปริย า, ยานแล้วจะไม่สามารถอย่างรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนมีนิสัยยังไงมีจิตใจอย่างไรท่านจะรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองเนี่ยเป็นขั้นต้นถ้าหากว่าจะให้ท่านจะให้ท่านช่วยเราก็ต้องไปอยู่กับท่านอยู่ประจําแล้วท่านจะมีวิธีดูว่าคนคนนี้มีจริตอย่างไร ท่านจะดูอิยาบทการเคลื่อนไหวจะดูการรับประทานอาหารว่าเราชอบาอาหารอะไรเพราะว่าอิรยาบทเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนจะิบชนิดไหนเราดูรู้เช่นอย่างคนที่เดินเรียบร้อยเป็นคนมือาัิท่านสาธุชนทัน้งหลาย การบรรยายพระวิสุทธิมรรคในวันนี้จะได้อธิบายเกี่ยวเคเรื่องอัปนาโคสนต่อจากครั้งก่อนเมื่อที่ยที่แล้วเราได้หยุดการบรรยายเป็นหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากตรงกับวันทอดกะถินและทอดพราปาที่วิทยาลัยส่วนมากท่านสาธุชนก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนั้น การบรรยายบนพระตำหนักนี้จึงได้งดไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์นี้ตมาก็จะได้บรรยายต่อจากครั้งก่อนซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอปนาโกศลสิบประการยังไม่จบครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการทำวัตถุให้สะอาดซึ่งเป็นอัปนาโกศลข้อที่หนึ่งการทำวัตถุให้สะอาดนั้นมีประโยชน์อย่างไร ท่านทั้งหลายได้ฟังคำบรรยายไปแล้วข้อที่สองก็คือการยังอินทรีย์ให้เสมอกันหมายถึงการยังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้สม่าเสมอกันนี่เป็นอปปนาโกสนลข้อที่สองอปปนาโกสนลข้อที่สคือฉลาดต่อนนิมิตที่ปรากฏระหว่างที่เราได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่หรือจเจริญสมาธิอยู่ ประการที่สก็คือประคองจิตในสมัยที่ควรประคองในข้อนี้ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าคำว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตเนี่ยโดยเฉพาะโดยปกติถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่อง ความรู้สึกนึกคิดทางนามมาทำแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยว่าจิตของเรานั้นมีภาวะเป็นอย่างไรเพราะปัญหาชีวิตในปัจจุบันนี้ได้ชวนให้เราต้องสนใจในสิ่งภายนอกมากกว่าสิ่งภายในตัวเราเองหรือบางท่านมัวสารวนกับกิจตุระภายนอกจนกระทั่งหาโอกาสที่จะได้สารวจจิตหรือสังเกตภาวะทางจิตของตนเองก็มีน้อย โดยปกติผู้ที่จะรู้สภาวะจิตต้องเป็นผู้ที่มีจิตละเอียดเช่นอย่างผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานผู้ที่จเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นต้องเฝ้าดูจิตของตนเองทุกๆุกขณะว่าในภาวะเช่นนี้จิตของเราได้คิดอย่างไรจิตนี้เป็นโลภะเป็นโทสะหรือเป็นโมหะเป็นกุศลหรือเป็นอะไรต้องเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลา นี่หมายถึงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ประเภทจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแต่ในชีวิตของคนปัจจุบันนี้สิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้เราสังเกตกันได้ยาก <c oughs> เพราะวาความละเอียดต้องอาศัยสิ่งที่ละเอียดไปพิสูจน์หรือไปพิจรารณาเหมือนกับเราจะศึกษาถึงเรื่องของจิตอันละเอียดอ่อนอย่างนี้ เราก็ต้องเป็นคนมีจิตที่ละเอียดทีนี้การที่จะมีจิตโดยละเอียดก็ต้องมีอารมณ์ที่ละเอียดอารมณ์ที่ประณีตโดยปะกติอารมณท์ทั่วไปที่เรารับกันอยู่ในปัจจุบันเป็นอารมณ์ที่หยาบออยิ่งท่านทั้งหลายที่จะต้องใช้ชีวิตในการสัมพันธ์กับผุคคลเป็นจำนวนมากในทางโลกด้วยแล้วก็ยิ่งจะทาให้อารมณ์เนี่ยหยาบมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วคนในโลกส่วนมากอารมณ์หยาบฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนภายนอกมากก็ปล่อยให้จิตของเรานี้ต้องหยาบขึ้นไปด้วยฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติที่มุ่งให้จิตของตนเองละเอียดต้องเป็นผู้ที่มีจิตฝักใฝ่อยู่ในธรรมะตลอดเวลาหรือจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติต้องเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอๆนั่นแหละจิตของเราจึงจะละเอียด ความละเอียดอ่อนในทางจิตนี้จะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบถึงสภาวะของจิตว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในภาวะเช่นใดเพราะฉะนั้นในเมื่ออารมณ์ที่แวดล้อมชีวิตเราอยู่เป็นอารมณ์ที่หยาบก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยหยาบไปด้วยท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าเราได้ใช้ชีวิตเนี่ยติดต่อกับคนหยาบยาบมากๆ จิตของเราก็จะหยาบขึ้นตามลําดับเหมือนเด็กที่ไร่เดียงสาฟังคําพูดของคนที่พูดหยาบคายมากเด็กก็มักจะพูดหยาบคายไปด้วยหรือเรามีชีวิตอยู่คลุกคลีกับคนที่มีความหยาบคายมากๆก็ทําให้ชีวิตเนี่ยต้องหยาบคายไปด้วยจะเป็นคําพูดจะเป็นการกระทําจะเป็นความนึกคิดก็หยาบคายขึ้นไปตามลําดับ ฉะนั้นการที่เราได้ใช้จิตให้อยู่กับธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยให้จิตของเราเนี่ยละเอียดอ่อนลงความละเอียดอ่อนถ้าหากว่ามีประจําขันทศนานของผู้ใดแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันความหยาบคายได้ประการหนึ่งเหมือนกับเราใช้จิตนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศลตลอดเวลาบางครั้งจิตจะไปคิดอกุศลสักนิดหนึ่งเราก็รู้ทันที วันในวาระเช่นนี้จิตของเราเป็นอกุศลแล้วแล้วก็กําลังคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราก็รู้เท่าทันต่ออกุศลแลจิตเหล่านั้นเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถที่จะดับได้อกุศลที่เกิดเราก็สามารถดับได้ไม่ให้เผารนจิตของเรานานถ้าหากว่าเราฝึกจิตของเราให้ละเอียดก่อนในเบื้องต้นฉะนั้นการประคองจิตในสมัยที่ควรประคองที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้สําหรับนักปฏิบัติว่วาเราจะต้อง รู้จักสภาวะของจิตว่าจิตอยู่ในสมัยใดที่เราจะต้องประคับประคองเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าเราทุกคนมีจิตแล้วเรามีอิสระในการนึกคิดต่างๆและเราก็จะคิดกันเรื่อยเปื่อยไปโดยที่ไม่มีขอบเขตโดยที่ไม่รู้จักระงับความนึกคิดบางอย่างซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตนี้ คิดในเรื่องราวต่างๆมากมายจนเกินไปก็เป็นโทษเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันและด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจอย่างนี้จิตที่คิดเช่นนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยแห่งการกระทําทุจริตต่างๆลงไปได้เพราะว่าในภาวะจิตเนี่ยบางสมัยเราต้องประคับประคองใจเราเองอยู่ตลอดวัน ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องคอยเอาใจคนอื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องประคองใจตัวเองด้วยคือนอกจากเราจะต้องสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งบางท่านอาจจะต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องคอยประคับประคองถนอมน้ำใจบุคคลหลายๆคนมากมายให้เขามีจิตใจเช่นเนี้ยอยู่ตลอดไปเช่นถ้าเราจะพึ่งหวังหวังพึ่งบุคคลที่ จะมาช่วยเหลือกิจการต่างๆจะเป็นงานบ้านออตั้งแต่บ้านอยู่ของเราจนกระทั่งถึงบ้านเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือแม้แต่ศาสนาสิ่งที่ยากที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือการประครับประคองนำใจของคนอื่นเหมือนท่านทั้งหลายอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยหลายๆคนบางทีบางคนนี่แกอยู่ในภาวะที่เราจะต้องประครับประคองจิต อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในบ้านถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ค่อยจะดีหรือมีภาวะของจิตไม่ค่อยจะปกติเราก็ต้องคอยรักษาน้ำใจการรักษาหน้ำใจเนี่ยก็คือการคอยประคับประคองจิตใจของคนคนนี้ให้เป็นปกติอยู่เสมอๆว่าทาอย่างไรจิตของคนคนนี้จึงจะเป็นปกติอยู่ตลอดไปเพราะถ้าหากว่าผิดปกติขึ้นมาแล้วมันก็ยุ่ง ในบ้านในน้อยของเราก็ยุ่งถ้าหากว่ามีใครมีจิตผิดปกติขึ้นมาสักคนหนึ่งก็อาจจะทำความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในครอบครัวเราได้เราก็ต้องประคองน้ำใจเขาว่าเราจะประคองจิตใจของคนคนนี้ยอย่างไรก็คือจะต้องอยู่ในฐานะคอยเอาอกเอาใจตลอดเวลายิ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยแล้วและประโยชน์นั้นจะต้องอาศัยบุคคลอื่นมาช่วย เราต้องอยู่ในฐานะประคองจิตของผู้อื่นตลอดเวลาเหมือนกันว่าเราจะรักษาศรัทธาหรือประคองจิตของผู้อื่นที่จะมาช่วยเหลืองานเราเนี่ยให้เขามีจิตปักป่วอยู่ในงานหรือว่าช่วยเหลืองานเราอย่างจริงจังมากๆขึ้นเนี่ยจะทําได้อย่างไรก็ต้องหาวิธีหาอุบายว่าจะประคองศรัทธาของคนเนี่คนอื่นให้มาช่วยเราเนี่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความยาก เป็นความยากที่หลายๆท่านเดียกันเคยประสบกันมาแล้วว่าการเอาใจคนอื่นนั้นนะยากเหลือเกินแต่ว่าการเอาใจตัวเองกลับยากกว่านั้นคือการประคองจิตของตนเองเนี่ยกลับยากกว่าที่เราจะไปประคองจิตของคนอื่นการประคองจิตของคนอื่นนั้นไม่ยากเราประคองได้ง่ายถ้าหากว่าเราฝึกฝนอยู่เสมอและก็เป็นคนที่รู้วิธีการรู้สภาวธรรม แต่ว่าจิตของตนเองเนี่ยประคองยากเพราะบางครั้งจิตของเราตกอยู่ในภาวะที่ตำ่ำเราแก้ไขกันไม่ได้อตมาเคยเห็นโยมที่เป็นผู้หนักแน่นในธรรมะหลายท่านด้วยกันถึงคราวที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตนเองแล้วมักจะแก้ไม่ค่อยจะได้แต่เวลาแก้ปัญหาให้คนอื่นเราแก้ได้คนอื่นเป็นภูเขาเราไปนั่งปอบโยนไปนั่งตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คนอื่นเขาได้ แต่ถึงคราวเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเราปลอบตัวเราเองไม่ได้และเราจะปร่งตัวเราเองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปร่งไม่ค่อยจะเห็นซึ่งหลายๆท่านโดยการไปอยู่ในภาวะเช่นนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการประคองใจคนอื่นง่ายส่วนการประคองใจตัวเองนั้นยากยากกว่าที่เราจะประคองใจของคนอื่นฉะนั้นในบางขณะผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าจิตอยู่ในภาวะที่ มีอารมณ์เป็นกุศลเช่นมีสมาธิดีท่านสอนให้เราเนี่ยประคับประคองไว้สอนให้ระมัดระวังจิตของตนเองเหมือนกับเรากำลังอุ้มบาตรที่ใส่น้ำมันงาเต็มเปี่ยมว่าทำอย่างไรบาตรที่เราอุ้มอยู่เนี่ยจึงจะไม่ให้น้ำมันงาเนี่ยกระชอกออกเหมือนกับเราถือภาชนะที่ใส่น้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากแล้วเราจะต้องอยู่ในฐานะเดินเราก็ต้องประคองว่าน้าใน ในภาชนะที่เราประคองอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะไม่กระชอกออกนอกภาชนะซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังประคับประคองอย่างเต็มที่ข้อนี้ชั้นใดภาวะของจิตในบางสมัยที่เกิดขึ้นเราก็ต้องประคับประคองอย่างเต็มที่แต่การประคองเนี่ยคือประคองใจเราเองว่าเราจะประคองใจเราเองได้อย่างไรใจนี้จึงจะเป็นไปในทางที่เป็นกุศลและก็เป็นประโยชน์ เนี่ยเราจะต้องประคับประคองอย่างมากถ้าหากว่าเราไม่มีความฉลาดในเรื่องของจิตหรือไม่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของจิตอยู่บ้างเราก็จะไม่รู้ว่าในชีวิตของเราทุกๆวันที่ดำเนินผ่านพ้นไปนี้เรามีภาวะจิตที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ค่อยจะทราบ นอกจากว่าจะเกิดความทุกข์ใหญ่ๆเราก็รู้ว่าเนี่ยเราเป็นทุกข์แต่โดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยทุกๆขนาดจิตเรื่องของทุกข์มันมีปรากฏอยู่เสมอทุกๆขนาดของจิตหรือทุกๆขนาดของรูปและนามแต่ว่าเราจะเห็นความทุกข์กันละเอียดอ่อนแค่ไหนเท่านั้นเองแล้โดยปกติเรื่องของทุกข์เราต้องอาศัยปัญญาแล้วจึงจะเห็นคนไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นทุกข์ ผู้ที่มีปัญญาละเอียดจึงจะเห็นความทุกข์ได้ชัดเจนขึ้นครั้งที่แล้วได้พูดว่าจิตในบางสมัยเนี่ยอยู่ในฐานะที่หดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ในยามที่จิตเกิดความหดหู่ท้อถอยซึ่งอาจจะเกิดมาจากอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นบางทีความสังเวชสลดใจเกิดขึ้นอย่างมากแล้วเราก็รู้สึกสลด ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราได้พบหรือบางครั้งเรารู้สึกเกียดคร้านไม่อยากจะทำอะไรทั้งหมดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตความเบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดได้สำหรับบุคคล ท, ทั่วไปจะเป็นเศษตีหรือจะเป็นยาจกหรือจะเป็นใครก็าตามบางครั้งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า เราเนี่ยเบื่อหนายต่อชีวิตของเราเองเพราะว่าที่เบื่อหนายเนี่ยคือเมื่อพิจารณาคิดไปแล้วบางทีก็เห็นความจริงขึ้นมาว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรบางทคีคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเราเข้าใจว่ามีไอ้ น, นั่นมีไอ้นี่แล้วก็เป็นสุข คกานไปมีเข้าจริงๆก็ไม่เป็นสุขเกิดเป็นทุกข์ขึ้นแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเกิดกันมาทําไมมีไอ้นั่นก็อย่างนั้นมีไอ้นี่ก็อย่างนี้ซึ่งผลสุดท้ายก็เลยเบื่อหน่ายในชีวิตของตัวเองว่าเราจะทํากันยังไงเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็ชักหมุดหงิดใจบางคนก็เลยหาทางที่จะกลบเปลื่อนอารมณ์ชิ้นนี้และการหาทางกลดเปลื้อนอารมณ์เช่นนี้แหละบางทีก็ต้องไปนั่งเล่นไพ่กัน บางทีก็ต้องเข้าสังคมหรือมิฉะนั้นก็ต้องไปดูมหหรสพหาเครื่องเล่นต่างๆบางคนบอกว่าชีวิตที่อยู่ทุกๆวันเนี่ยนั่งคุยกับนกเขาก็มีเยอบางคนบอกนั่งคุยกับนกเขาวันนึ่งวันนึงนั่งฟังนกเขาขันพอพบอัตมาก็บอกไอ้ตัวนี้มันขันดีนะขันทั้งวันเลยท่านคุยกับนกขาขันทั้งวันไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ขี้เกียจขันบางทีวันมึงขันไม่กี่ครั้งอ่ะแสดงว่าโยมนี่ทั้งวันอยู่ คุยกับนกเขาไม่ต้องทําอะไรนั่งฟังนกเขาขันบ้างคุยกับนกเขาบ้างบางทีก็ไม่รู้จะเอ็ดตะโรกับใครก็ทะเลาะกับแมวบ้างกับหมาบ้างที่เลี้ยงเอาไว้ไอ้ด่างมันอย่างงั้นไอ้ด่างมันอย่างนี้หาเรื่องตบเกลื่อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่ไปเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของความรําคาญเพราะว่าคนอยู่ในโลกนี้ด้วยความรําคาญแล้วก็ต้องหาเรื่องขจัดความรําคาญนี้การหาเรื่องขจัดความรําคาญเนี่ย ถ้าหากว่าหาถูกทางก็เป็นประโยชน์ถ้าหาผิดทางก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นธรรมะคำสอนที่พ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แก่เราไวน้นี้คงจะทําให้คนที้ราคาญทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาถึงความเข้าใจในชีวิตเนี่ยดีขึ้นถ้ามีเวลาว่างเราน่าจะศึกษาถึงเรื่องนี้ เพราะว่าพระพุทธองค์ย่อมจะตรัสสอนถึงเรื่องสัจธรรมต่างๆเนี่ให้แกเราได้ชัดเจนดีกว่าสิ่งอื่นและเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องชีวิตเนี่ยแจ่มแจ้งดีขึ้นการที่จิตตกอยู่ในภาวะที่หดหู่ท้อแท้เบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยในสมัย น, นั้นจิตต้องอยู่ในภาวะที่ควรประคอง ถ้าจิตเกิดอารมณ์เช่นนี้ขึ้นไม่ใช่ว ด, ดีเกิดโทษเหมือนกันต้องควรประคองเราจะประคองจิตเช่นนี้อย่างไรการประคองจิตนี้เราจะต้องประคับประคองจิตไม่ตกไปสู่อารมณ์เช่นนั้นจนเกินไปนักจึงอยู่ความสลดใจเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เกิดกุศลต่างๆได้ดังที่ตรรมาเคยบรรยายไว้ เช่นอย่างในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะสละราชบัลลังก์ออกบวชท่านได้ชอบพระเนตรเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะท่านจึงได้สละราชสมบัติสแสวงหาโมกะธรรมความสังเวชสน ด, ดใจเหล่านี้ก็เป็นเหตุหนึ่งขจัดความมัวเมาในจิตให้หมดไปได้เพะโดยปกติบางคนเมา บางทีเมาอำนาจบางทีเมายศถาบรรดาศักดิ์เมาทรัพย์สินเงินทองเมาในรูปโฉมโนมพันเมาในอายุเมาในวัยเมาในความไม่มีโรคอะไรต่างๆซึ่งร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความเมาทั้งนั้นความเมานี้ก็คือโมหะหรือความหลงนั่นเองเข้าครอบงำถ้าหากว่าไม่เห็นความจริงในโลกนี้บ้างไม่เกิดความสังเวชสลดใจบ้าง เราก็ขจัดความมัวเมาต่างๆเนี่ยไม่ได้อย่างคนที่มัวเมาในอำนาจวาสนามัวเมาในทรัพย์สินเงินทองถ้าไม่นึกถึงความแก่ความตายแล้วก็ขจัดความเมาไม่ได้เมื่อขจัดความเมาไม่ได้ก็ยึดถือในทรัพย์สมบัติผลสุดท้ายก็ตายไปเปล่าโดยที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไว้เลยมีทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นของประจําโลกเป็นที่สุดตนเองก็ไปอย่างคนอนาถายากไร้ ในปัจจุบันมีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ซั์ผลสุดท้ายก็เอาทรัพย์ไปไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุแห่งความเมาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าเรานึกถึงว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเราจึงจะใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เรามีให้เป็นประโยชน์ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องคิดและต้องหาทางใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากการที่เราเกิดความสังเวชสดุดใจได้อย่างนี้ก็ทําให้เราเนี่ยขจัดความเมาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ อันนี้ความความสังเวชสลดใจก็เป็นประโยชน์เพราะว่าทำให้เราเนี่ยขจัดความมัวเมาได้แต่ในกรณีที่เราปฏิบัติธรรมเราบำเพ็ญสมาธิไปแล้วเราเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายต่อชีวิตเหมือนกันแต่ขาดโยนิโสมนสิการอันถูกต้องก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรความผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้น ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาธรรมะให้พระสงฆ์ฟังพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้ฟังถึงเรื่องเบญจขันธ์พระพุทธองค์ได้เทศนาถึงเรื่องเบญจขันธ์เรื่องนามรูปเนี่ยให้พระกลุ่มเนี่ยฟังเมื่อเทศนาจบแล้วพระพุทธองค์ก็เข้าสู่นิโรธาสมาบัติเข้าสู่สัญญาเวทยียตนิโรธ แต่พระลาวเนี่ยเมื่อท่านฟังแล้วท่านสลดใจแต่ท่านไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยไปพิจารณาโดยถูกต้องปรากฏว่าระหว่างที่พระพุทธองค์เข้านิโรธสมาบัติพระท่านไปจ้างพวกเดรศีเนี่ยมาฆ่าจ้างให้เดรศีฆ่าบางองค์ก็ฆ่าตัวเองตายอามตรโกนเชือดคอตัวเองบ้างเอาเชือกรัดบ้าง บางคนก็มีบริขารก็เอาบริขารนี่ไปจ้างเดรัจฉีว่าวานฆ่าให้ตายหน่อยเถอะให้บริขารเหล่าเนี้เป็นค่าตอบแทนเพราะท่านเบื่อหน่ายในสังขารเลือนเกินเดรถถัจฉีกรัตจ้างฆ่าปรากฏว่าพระเนี่ยตายไปหลายสิบองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วได้ทราบเช่นนั้นจึงได้บัญญัติเป็นวินัยขึ้นว่าภิกษุฆ่าตัวเองไม่ได้และได้ตรัสให้เห็นว่าการฆ่าตนเองนั้นนะมีโทษอย่างไร การฆ่าตัวเองหรือการทำลายชีวิตตนเองนั้นเป็นบาปเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวเองจิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วย่อมมีทุกขติเป็นไปในเมื้องหน้าท่านก็ได้เทศนาถึงเรื่องนี้แล้วก็บัญญัติเป็นสิกขาบทวินัยไว้ซึ่งมีอยู่ในพระวินัยปิดดกเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เบื่อหน่ายท้อแท้ต่อชีวิตเนี่ยก็ เ, เห็นว่าเราเนี่ยเกิ